ญาติโยมฟังธรรมกันตามสบายกันเองวันที่อาจจะมาก็จะพูดเรื่องทำห้าประการที่ที่เราต้องมาสบและใกล้เคียงกับชีวิตของเราอย่างที่เมืเ่อกี้อาจารย์ฟองได้นำสวดคือปิญหาปัจเจคสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากถ้าเราประมาทเราก็าจะมองข้ามอย่างข้อแรกเนี่ยความแก่ธรรมดาเนี่ยเราจะไม่รู้เราแก่นะ บางทีนอกจาเพื่อนหรือคนอื่นมาทักเราอะเพราะเราอยู่เรามองกระจกทุกวันบางทีมันมันดูเหมือนช้ามันชินอย่างคนเราถ้าไม่เจอกันานานสักสิบปีหน้าตาเปลี่ยนมากเลยเพื่อเผื่ออาอยุาวะไม่ครบสามสองด้วยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเห็นชัดตอนเมื่ อ, อยุ่เนี่ยสี่สิบกว่าห้าิบกว่ายอยู่ช่วงขาลงเนี่ยผมจะเริ่มงอกตาก็ฟ้าฟางหูก็เริ่มหนวกตีนกาก็ขึ้น ผิวหนังก็เริ่มตกกะบ้างอันนี้จะเห็นชัดแล้วทุกคนต้องประสบด้วยไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นเลยความแก่เพราะโดยเฉลีย่ยเนี่ยคนเราจะมีอายุประมาณเจ็ดสิบห้าปีขาดเกินนิดหน่อยบางคนก็สามารถอยู่ได้เป็นร้อยก็มีแต่น้อยพอเกินเจ็ดิบห้าปีขึ้นไปแล้วร่างกายก็เริ่มย่ำแย่แล้วเดินก็ไม่ค่อยจะไหวคือร่างกายทรุดโทรมอายุของคนเราเนี่ยถ้านับเป็นวันนะ 75ปีเฉลี่ยแล้วก็ได้ประมาณ 2,07,365 วันก็ดูเหมือนกับไม่เยอะนะแต่ถ้านับเป็นสัปดาห์เนี่ย75ปีก็จะมีอายุประมาณ 3,600 สัปดาห์แต่ถ้านับเป็นเดือนเนี่ยคนเราจะมีอายุ75ปีเฉลี่ยแล้วประมาณ900เดือนนี่นับแบบไม่ไม ตัดเวลาที่พักผ่อนออกไปแล้วนะถ้าเราตัดเวลาที่พักผ่อนเวลานอนเข้าห้องน้ําต้องกินต้องดื่มเวลาเสียเวลาไปกับการนั่งรถเสียเวลาไปกับการทําอย่างอื่นที่ไร้สาระชีวิตคนเราเนี่ยเหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นท่านั้นเองจะเหลือชีวิตแค่เจห้าปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็เหลือแค่หมื่นกว่าวันนั่นแหละไม่มากหรอกสารภาพความดีประเพ็ญบุญกุศลถ้าเราต้องไม่ประมาท เืออายุอย่างเมื่อก่อนอนาราายังหนุ่มเนี่ยพอเราสักพังหนึ่งเอ๊ะปั๊บเดียวสีว่สิบละแงไป เ, เ, เกือบห้าสิบอยู่แล้วซึ่งเร็วมากบาทีช่วงยุห่างสบกว่าปีนี้ไม่นานนะอย่างเมื่อก่อนอารามาเห็นคนอายุมา ก, กาอาราม า, กก า, าประมาณสิบปีละก็ดูเหมือนห่างเนี่ยพอพอเราอายุเข้ากลางคนเนี่ยจะเร็วมากเลยปั๊บเดียวแหละเดี๋ยวพอขึ้นเลขห้าเดี๋ย ว, วขึ้นเลขหกแล้วขึ้นคิดดูน่าใจหาย แล้วเราทำความดีอะไรบ้งางขณะที่เรามีชีวิตอยู่เรื่องบุญเรื่องกุศลเียเป็นสิ่งที่เราต้องต้องทำถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจะไม่มีที่พึ่งเลยเหมือนเราไม่ไเตรียมสเสบียงไว้บุญกุศลก็คือการให้ทานการรักษาศีลและการที่พวกโยมมาทําอยู่คือการเจริญภาวนาถ้าโยมทําเป็นนะก็จะได้บุญกุศลครบทั้งสามข้อเลยคือให้ทานด้วยให้ทานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องทําบุญ ใช้เงินทองเข้าของอย่างเดียวแล้วสามารถใช้แรงแรงกายเราเนี่ยทำบุญได้ช่วยวัดฝาดลานช่วยล้างถ้วยล้างจานช่วยถูสาลาช่วยเก็บขยะเราเห็นอะไรไม่ดีเราช่วยกันทาเนี่ยเห็นต้นไม้ล้มอ่ะพวกโยมช่วยกันยกเก็บอันนี้ก็คือการทำบุญนะถ้าทำบุญเป็นการรักษาศีลอย่างพวกโยมก็ไม่ได้ทาอะไรผิดอยู่แล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ย อาธรรมบอกว่าศีล น, น่าจะสมบูรณ์ศีลทํายากคือการภาวนาเพราะคนเราส่วนมากก็มาแค่ให้ทานรักษาศีลแต่จะมาถึงภาวนายากเพราะการภาวนาเนี่ยเป็นการสวนกระแสกิเลสพวกโยมที่ได้มาเนี่ยถือว่ามีบุญนะที่ได้มาภาวนาด้วยจึงต้องขอรู้โมทนาทุกคนแล้วมาข้อที่สองความเจ็บไข้ ความเจ็บไข้หรือบาดเหตุต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยบางทีเราก็บองข้ามไปเพราะสิ่งเหล่าเนี้ยอยู่กับเราบางครั้งเนี่ยอวัยวะเราเนี่ยครบสามสองเราก็ประมาทแต่วันใดวันนึงเนี่ยที่เราเกิดรูบัติเหตุเหลือไม่เท่าเก่าเนี่ยวันนั้นเราจะรู้สํานึกเราจะเหตุคุณค่าของสิ่งที่เราเสียไปความเจ็บไข้ก็เหมือนการความเจ็บไข้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาบางคนที่แข็งแรง พอเจ็บไข้แบบรุนแรง ป, ป, ปุ๊บปั๊บตายไปก็มีอะไรมาเห็นหลายรแล้วบางทีเด็กกอดมาด้วยพอป่วยเป็นโรคบางอย่างเนี่ยปั๊บเดียวตายเลยจะบางคนเจ็บออแอไม่ตายก็มีบางคนป่วยครั้งเดียวตายไปก็มีเราประมาทไม่ได้เลยเรื่องความเจ็บไข้สามารถเกิดกับเราได้ชีวิตของเราตั้งอยู่ด้วยความไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมออเราต้องไม่ประมาทเรื่องความเจ็บไข้อุบัติเหตุ แล้วมาข้อที่สามเนี่ยความตายสิ่งความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเผชิญหรอกเพราะว่าเพราะว่ามีโอกาสแค่ครั้งเดียวอย่างสุบาสิต ท, ที่เบนเนี่ยก็จะมีจะบอกว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสาที่จะมีวันพรุ่งนี้แล้วพอตื่นขึ้นมาทีก็ไม่ชาติหน้าเลยก็มีนอนนอนไปหมดลมหายใจ เพราะอันตรายรอบตัวเรามีมากเหลือเกินไม่มีหลักประกันเราเลยอายุอยู่เท่านู้นเท่านี้เราสามารถตายได้ทุกวันความตายไปสิที่อยู่ใกล้ตัวเราบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้เราสังเกตนะเราจะมีคนเนี่ยตายทุกวันในในข่าวเมื่อจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์แต่เผอิญเราไม่รู้จักแต่ถ้าเราเกิดรู้จักคนที่ตาย เ, ยเราจะเกิดความสนุกใจขึ้นมาบางที เราอาจจะฟังข่าวดูข่าวเราก็ผ่านๆไปจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาหรชาชินแต่วันใดเนี่ยคนได้รู้จักตายขึ้นมาวันนั้นแหละเราจะเสียใจมั่งนึกถึงเขามั่งอย่างพระพุทธองค์เนี่ยทรงเปรียบมหาชานาย4สประเภทคือประเภทแรกเนี่ยแค่เห็นเงาประตักก็รู้สึกสำนึกตนทันทีว่าต้องทำยังไงถึงจะจ่ายเจ้าของประเภทที่สองต้องถูก ปะตักเนี่ยสกิดผิวหนังถึงจะรู้สํานึกแล้วใจเจ้าของว่ต้องการอะไรมาประเภทที่สามต้องถูกประตักแทงเข้าไปถึงผิวหนังถึงจะรู้ว่าเจ้าของต้องการอะไรและรู้สํานึกประเภทที่สี่หนาหน่อยถูกประตักแทงเข้าไปถึงเกือบเถึงกระดูกเลยแทงลึกถึงจะรู้สํานึกแล้วใจเจ้าของว่าต้องการอะไรประเภทแรกก็เหมือนกับเราเนี่ย ได้ยินข่าวว่ามีคนนู้นคนนี้ตายแล้วก็รู้สัมนึ ก, กิทันทีเลยว่าความตายหรือความเจ็บไข้หรือรรอุบัติเหตุเหล่านี้จะเกิดกับเราก็ได้ไในว่าใดวันหนึ่งเราจะต้องรีบทำเพียรและไม่ประมาทอันนี้คือมาเพทที่หนึ่งคือเห็นเงาประตักแค่ได้ยินข่าวเท่านั้นว่ามีคนเจ็บคนตายหรือไปงานศพเนี่ยจะเกิดสัานท ก, กิทันทีเลยคนประเภทที่สองเนี่ยก็คือคนที่ ต้องเห็นด้วยตาตนเองคือเห็นรถชนกันต่อหน้าหรือเห็นศพต่อหน้าเนี่ยถึงจะเริ่มรู้สึกสำนึกแล้วสลดสังเวชใจสำนึกตนแล้วรีบทำพรมเพียรเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดกับเราก็ได้ก็เปรียบกับเปรียบเหมือนมาว่าทที่สองอนะ่ะคือถูกปร ะ, ประตกสกิดผิวหนังคนประเภทที่สามก็คือญาติพี่น้องเพื่อนคนรักของเราเองที่เรารู้จักเนี่ย ตายหรือประสบวัตถเหตุได้รับความเจ็บปวดได้รับทุกข์โามานานแก่ก้าเนี่ยเราถึงรู้สํานึกว่าเ ห, เหตุเหล่านี้ใกล้ตัวเราอาจจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ก็ได้้เปรียบเหมือนมาเพศที่สามคือถูกประตักแทงเข้าไปถึงผิวหนังแต่เพศที่สี่หนาหน่อยเหมือนกับเราเนี่ยต้องเกิดกับเราเองเราเกิดวุติเหตุหรือหรือเจอความเจ็บไข้ได้ปวดอย่างรุนแรง หรือจะตายแหลกไม่ตายแหละเราจรู้สํานึกไงเปรียบเหมือนม้าประเภทที่สี่คือถูกประตักแทงเข้าไปเกือบถึงกระดูกคือประเภทนี้ก็ถ้าให้เห็นลงศกก็ไม่หลังน้ําตาคืออญญาจจะจิตหยาบหน่อยม้าประเภทที่สี่เนี่ยสื่อตั้งอยู่ในความประมาทประเภทแรกเนี่ยมีปัญญามากคิดได้เองประเภทที่สี่เนื่องเกิดกับตัวเองจะเห็นความแตกต่าง นันคนเราในประมาทไม่ได้ความตายไปนสิอยู่ใกล้ตัวเราเราก็ต้องไม่ประมาทในชีวิตรีบทำความดีสร้างบูสร้างบุญศรนท า, ราประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้มากเอาไว้ก่อนแล้วก็มาข้อที่สี่ข้อที่สี่เราจะมีความพัดภาคจากของรักของชอบใจซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่เกิดกับทุกคนของรักของชอบใจในที่ดียรบาจะพูดถึง ตัวเราดีกว่าเพราะว่าของภายนอกเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกอยังมีคนมาขอซื้อแขนเราเนี่ยสักล้านหนึ่งอัตราเชื่อพวกโยมไม่ยอมขายแน่นอนหรือซื้อตาทั้ข้างหนึ่งสักห้าล้านเนี่ยอัตมาเชื่อโยมก็ไปขายดงั้นของรักของเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดของภายนอกเนี่ยไม่ตายเดี๋ยวหาใหม่ได้อย่างตอนนี้เรามี อ, อวัยวะครบสามสองนะแต่วันใดวันหนึ่ง ไปเกิอดอุบัติเหตุแล้วเหลือไม่เท่าเก่าเนยอะแล้วเราจะทําทไงบางคนเกิอดอุบัติเหตุขาหักตาบอดหรือเป็นอวัยวะพืชอวบาดแต่บางคนอะพิการมาแต่กําเนิดเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่อย า, ากจางําพลเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นหนุ่มยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยถ้ามีความรู้เป็นครูด้วยเป็นครูพละอนาคตสดใสามากตอนนั้นมีคนรักใกล้จะแต่งงานแล้วมีกําหนด การที่จะบวชแต่ชีวิตทางกระพิกผันเพราะเกิดอุบัติเหตุทำให้ท่านต้องเป็นออบอัมาพาตเป็นคนพิ ก, การนั่งอยู่รถเข็นใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ก็มีข้อดีนะเพราะความทุกข์เนี่ยบีบบีบคันเราอจนต้องหาทางออกเพราะเราสามารถหาความสุขจากความทุกข์ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไปเราเห็นฝาดจริ ง, งชีวิต อาจารย์พูดต้สามารถรรรประลุทําได้เพราะท่านมาเจริญสติแบบที่พว้เรากำลังเจริญอยู่แล้วแต่ท่านท่านยกมือสิบสี่จังหวะไม่ได้ท่านก็พลิกมือทีละข้างบางทีขยับหัวบ้างขยับคอบ้างในาฬิกาที่แขวนอยู่ดังติ๊กติ๊กติ๊กท่านขยับมือไปค่อยๆทีละจังหวะจังหวะท่านทําไปเดือนหนึ่งเนี่ยก็เกิดสภาวะกับการเปลี่ยนแปลงคือเกิดสภาวะรมจิตท่านก็ออกจากความทุกข์ได้ ท่านจึงเห็นความจริงของชีวิตคือสามารถแยกจิตกับแยกกายได้เพราะคนเราเนี่ยกายกับจิตมันจะอยู่รวมกันคือร่างกายคนเราเนี่ยประกอบด้วยรูปกระนามแล้วก็ท่าต่างๆแต่ถ้าเราไม่เรียนธรรมะเนี่ยเราก็จะมองเป็นอย่างเดียวกันหมดแหละไอ้นี่ก็ตัวกูนาของกูคือเราจะไม่มองแยกส่วนเราจะยึดร่างกายนี้คือฝ่ายนามเราจะไม่เข้าใจไม่รู้จักฝ่ายนามคือความคิด คือขันห้าเนี่ยมันจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยส่วนมากเราจะรู้จักแค่กายเท่านั้นแหละแต่สี่ตัวเราไม่ค่อยรู้แต่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเริ่มเรียนรู้พอเรียนรู้เนี่ยกับกระบวนการการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นการยึดมั่นถือมั่นต่างๆจะน้อยลงเราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตละคือถ้าเราไม่มาเรียนธรรมะไม่มปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะยึดร้อเปอร์เ็น์เลยเวลาพ่อตายแม่ตาย หรือสูญเสียของรักต่างๆเนี่ยเราจะทุกโศกมากหรือเวลา อ, อกหกักบางคน อ, อกหักเนี่ยคิดค่าตัวตายก็มีนะเพราะเราไปยึดกับคนนั้นว่าต้องรักเราชื่อเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะแต่ละคนก็จะมีจิตใจไปของตัวเองเราไปเรียกร้องให้เขามารักเราก็ไม่ได้แม่ตัวเราเองเนี่ยเรียงตามใจตัวเราเองไม่ได้ตลอดเลยแต่เราวางใจไม่ผิดนะเราก็อยากเขารักเรา ยอมรับเราดับถือเราหรือต่างๆเนี่ยซึ่งบางครั้งเขาก็รักเราบ้างไม่รักเราบ้างขัดใจเราบ้างอันนี้เป็นธรรมดาของโลกซึ่งไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นแม้แต่พ่อแม่หรือคนรักเนี่ยไม่มีใครเอาใจเราได้ตลอดหรอกเดี๋ยวว่ขัดใจเราแต่สิ่งทเราทําได้คือนึกถึงความดีของเขาพ่อแม่เนี่ยดีกับลูกเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเนี่ยลูกก็จะชาชินกับความดีของพ่อแม่คือเราชินไง แต่วัานไหนพ่อแม่เนี่ยด่าเราว่าเราขัดใจเราเราจะจำไม่ลืมเลยพวกโยมสังเกตไหมเราเป็นไหมอย่ยงที่เร า, าพูดเนี่ยบางทีหรือคนรักก็เหมือนกันแหละช่วงที่ดีต่อกันเนี่ยเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้ ง, รงเราไม่ใส่ใจหรอกแต่วัานไหนที่ขัดใจเราเนี่ยเราจะเอาคีย์เลตเราออกลับเลยว่าทําไมต้องทํางนี้กับเราขัดใจเราเนี่ยเรายังไม่เห็นความดีของเขาเลยเพราะเราชินไงเนพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะคิดแต่ทางลบที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อจะให้มองเห็นความจริงชีวิต ให้ปล่อยวางเป็นแล้วก็ยอมรับความจริงของจิตว่ามีกระบวนการทำงานแบบนี้อยู่ไม่มีอะไรเราสามารถบังคับบัญชาได้ไม่ร่อยเป็นกายกับจิตไม่อยู่ใต้อานาจเราร่างกายเราก็แก่เท่าไปเรื่อยๆจิตมันอยากาคิดมันกคิดไปเรื่อยเปื่อยเราควบคุมไม่ได้หรอกได้แต่ เ, เรียนรู้มันสิ่งที่รู้มันได้คือสติและความรู้สึกตัว แต่เราไม่มีสติมีความรู้ความรู้สึกตัวนะชีวิตเราก็เหมือนความฝันคนเราจะฝันทั้งวันตั้งแต่ตื่นจะหลับพอหลับแล้วก็ฝันต่ออีกคือไม่อยู่ในโลกความเป็นจริงคือหลุดจากอารมณ์นั้นไม่ได้เลย <fal. S 1> เคยมีคนถามองค์ดายลมะว่าท่านรู้สึกแปลกใจอะไรกับมนรสชาติซึ่งองค์ดายลมะก็ตอบว่าพระองค์เนี่ยรู้สึกแปลกใจกับ กับมนุษย์ตรงที่ว่ายอมสูญเสียสุขภาพเนี่ยเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วก็ยอมสูญเสียเงินตาเพื่อที่จะฟื้นฟู ร, รักษาสุขภาพและวิตกกังวลกับอนาคตที่ยั ง, งามาไม่ถึงจนไม่อยู่ความลื่นลมอยู่กับปัจจุบันและใช้ชีวิตประหนึ่งว่าจะมมีวันตายผลก็คือเขาก็ไม่ได้อยู่กับอนาคต แล้วก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ตายไปเหมือนกับไม่ได้มีชีวิตยอยู่จริงอันนี้เป็นทําฟมจริงของของมนุษย์ถ้าเราโยงไปสังเกตดีๆนะองค์ดาราพูดโคมมากชีวิตเราเหมือนฝันเหมือนแค่ความฝันเท่านั้นเองเหมือนไม่ได้มีชีวิตยอยู่จริงอะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโลกความคิดทั้งหมดเลยแล้วบางทีเราก็ยอมหาเงินบางทีทํางานเนี่ยต้องการโอทก็มีหือหาเงินได้ดมากที่สุด เราลากายเราไปไหวเราก็ป่วยพระป่วยปุ๊บเราก็ต้องหาหมอแนละ้วบางทีหมอเรียกเงินเท่าไหร่เราก็ต้องยอมางทีเงินไม่ได้ใช้เลยนะพางีเสียเงินค่าหมอมากกว่าค่าที่ทํางานที่ได้มาอีกก็มีบางคนเนี่ยป่วยเพราะเราใช้ชีวิตไม่เป็นคือใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลแต่ถ้าเราไม่ไม่โลภนะเราทําหากินพอพอพอได้แล้วก็ถนอมสุขภาพบริหารชีวิตได้เป็นเนี่ยเราก็มีโอกาสเจ็บค่าได้ป่วยน้อยเงินเราก็เหลือ เพราะคนเราได้ดได้โล่งเนี่ยมีปัญหาคือบริหารเงินได้เป็นเอาไปใช้ตามกิเลสไปกินเหล้าเล่นการพ น, านันหันหาบยามุกบางทีผู้ชายไปติดผู้หญิงทุ่มเทเงินทองให้ผู้หญิงที่รวยก็ปนเปรดผู้ชายเสียเงินเท่าไหร่เท่ากันหรือแม้ก็ความบเทิงต่างๆที่เราทุ่มเทไปกับค่าเทคโนโลยีต่างๆมากมายบางทีทาให้เงินไม่เหลือนะบางคนเนี่ยไม่มีบ้าน ก็ผ่อนบ้านไม่มีรถเราก็ผ่อนรถโดยที่ตัวเองไม่มีเงินซื้อแต่เราก็ยอมผ่อนอยากได้โทรทัศน์ได้ของอะไรผ่อนหมดแล้วเราก็ทํางานเป็นหนี้คือเราเงินในอนาคตมาซื้อไม่ใช่เงินปัจจุบันของเราอันนี้คือเป็นการบริหารชีวิตที่ผิดแล้วแต่ละคนที่เขาคิดเป็นเขาก็ใช้เงินสด้ยที่เรามีใช้ตามมีตามได้เราก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินชีวิตเราก็ไม่ทุกไม่เครียดช่วงเวลาเวลาที่เราป่วย ไม่สบายเราก็พักผ่อนได้ไม่ต้องทางานหนักจนเกินไปจนร่างกายเราไม่ไหวแล้วข้อที่ห้าเนี่ยเป็นข้อที่เรามีกรรมเป็นของตัวเราทําดีจะได้ดีทําชั่วจะได้ชั่วเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องอจินตายบางทีเราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่พิสูจน์ได้คนทําดีย่อมได้ดีคนทําชั่วต้องได้ชั่ว เราทำดีเราอยู่ในความสุขบันทีเลยอย่างผู้ญาติโยมเนี่ยลองไปทําบุญตักบาทเนี่ยเราก็จะมีความสุขแล้วขณะนั้นหรือช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังตกทุกข์ลำบากเนี่ยเช่นอาจจะช่วยจูงคนแก่ค้านหนนหรือจูงคนตาบอดค่าสะพานลอยหรือช่วยเหลือคนอื่นที่ลําบากขณะนั้นเราอยู่ในความสุขวันทีเลยเราแบ่งปันความสุขให้คนอื่นเนี่ยความสุขก็ย้อนกลับมาหาเรา อันนี้คือผลบุญทันทีฉับพันไม่ต้องรอชาติหน้าพิสูจน์ได้แต่ถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยแค่คิดไม่ดีคนอื่นเนี่ยเราจะทุกวันทีเลยความคิดความคิดอกุศลเนี่ยจะร้อนจะเผาคิดอยากให้เพื่อนให้คนที่ไม่ดีกับเราเนี่ยชิบหายใบวอดจิตเราเสียแล้วตอนนี้เราจะทุกข์ตรงข้ามกับที่เราแผ่เมตตาให้เขามีความสุขจิตเราก็สุขด้วยฉนวิธีคิดจึงสําคัญแต่ถ้าโยไม่ฝึกเนี่ยโยก็จะไปคิดแบบที่อาณาพูดนี่แหละพอบางครั้ง ถ้าเราคิดผิดเนี่ยเราเราจะเป็นคนสร้างความทุกข์กับตัวเองคนมาดาเราหนึ่งครั้งเนี่ยแล้วเขาก็ไปแล้วแต่จิตนั้นจะวนเวียนอยู่ในจิตเราตลอดเลยอาจจะหนึ่งปีสองปีหรืออาจจะสิบปีก็ได้วนเวียนอยู่ในหัวเราอันนี้คือกรรมกรรมมันยังไม่เลิกแต่เราเอาหวสิกรรมยกโทษให้ใหอภัยพอเลิกปุ๊บเนี่ยเราก็ปลดเปืือกจากสิ่ ง, งขังคาใจเรื่องนี้เราก็มีความสุขขึ้นมาได้ ยังสมัยพุทธการเนี่ยมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งขณะนั้นเนี่ยมีกองไฟกําลังกำลังเผาอยู่บ้านอ ย, อยู่หลังหนึ่งบ้านหลังนี้ก็มีนางสามาวดีและหญิงบริวารอยู่ในนั้นไฟกำลังลุกชดช่วงไหมไปคนในเมืองเห็นหมดฟันคือบ้านหลังนี้เนี่ยจะถูกมัดด้วยผ้าชุบน้ํามันทั้งทุกจุดเลย แล้วก็ถูกปิดปิดประตูลงกอนอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้คนหนีได้นางสามอาวีดีเนี่ยต้องตายแน่นอนนางก็บอกอดีวาลว่าให้โอโหสิกรรมแก่คนที่ฆ่านางทั้งหมดเนี่ยเราเองเนี่ยวิญว่ายในวัฏสงสายมามากไม่รู้กี่กับกี่การให้เรายกโทษโอโหสิกรรมแก่คนที่ฆ่าเราชาตินี้เราไม่ได้ทํากรรมชั่วอะไร อาจจะเป็นกรารมัณฑิตในชาติก็ได้พอวางจิตปล่อยวางแล้วนึกถึงคำสอนของพระพระุทธองค์น้อมจิตไปแล้วลึกถึงพระคุธพระธรรมพระสงฆ์ขณะนั้นเนี่ยนางสามาวดีเนี่ยซึ่งเป็นโสดาบันอยู่แล้วก็บรรลุเป็นนาคามีเหล่าปริวานเนี่ยที่ตายไปเนี่ยจากปุถุชนเนี่ยก็บรรลุเป็นโสดาบันบ้างบางคนก็เป็นนาคามีก็มี คือเปคือตายดีตายแล้วไปดีบทเลยที่อยู่ในในในนั้นคือว่าการวางใจที่สําคัญแต่ถ้าเกิดระวังใจเนี่ยไปอาฆาตพยาบาทคนฆ่าเนี่ยราอาจจะไปทุกข์กติก็ได้หรือไปรอจองเวรฉะจิตจึงมีความสำคัญมากเรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยอยู่ที่เรากำหนด ท, ทั้งนั้นเลยนักสามาวดีเนี่ยถ้าเท้าความไปต่อทําไมถึงถูกฆ่าเนี่ยก็มีเรื่องเล่า ว, ว่า นางเนี่ยไปเป็นศัตรูกับนางมาคาดียานางมาคาดียาเนี่ยที่จริงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับนางหรอก <c oughs> คือนางเป็นมเมสีของพระเจ้าอุเทนพระราชาแห่งแห่งโกสัมพีแล้วแล้วนางเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาพระเจ้าอุเทนตอนนั้นก็นับถือฮินดูอยู่เพราะประเทศอินเดียเนี่ยยุคนั้นเนี่ยส่วนมากจะนับถือศาสน า, าพราหมณ์หรือฮินดู แล้วนางมาคาดียาเนี่ยเป็นลูกสาวของพามผัวเมียซึ่งตอนแรกเนี่ยผัวเมียคู่นี้เกิดไปเห็นพระพุทธเจ้าเข้าและเห็นพระวรากายพระองค์เนี่ยงดงามเขาอยากจะได้เป็นลูกเขยและเห็นว่าหมอกับนางมาคาดียาซึ่งนางเป็นคนสวยและเล่นตัวคนมาขอหลายคนนางก็ไม่ชอบใครเพราะนางเลือกว่าจะต้องเป็น เหสีของพระราชาหรือไม่ก็คนที่บอมกับนางเท่านั้นก็พานางไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์เนี่ยสละเรือนออกมาบวชเนี่ยสละนางสนมนางกำนานไม่เหสีซึ่งสวยกับลูกสาวของท่านต้องเยอะลายัางสละมาเลยแล้วน่าภาษาอะไรกับลูกสาวของท่านจึงเราเนี่ย ไม่อยากจะแตะแม้แต่ปลายเท้าสองสามีภรรยาพอได้ฟังอนั้นเนี่ยก็เกิดความสดสังเวชในร่างกายได้ไปรู้ทรนทันทีเลยนะแต่นางมาคาดิยาเนี่ยที่อยู่ในในที่นั้นเนี่ยไ ม, ไม่รู้ธทันกับแนขนพระเจ้าว่าดูถูกนางว่าไม่อยากแตะแม้กระทั่งปลายเท้าซึ่งถือว่าหยามนางก็เลยอาฆาตไว้ผูกเจ็บแขนไว้แล้วต่อมานางก็ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทน ตอนแรกเลือกก็ซาซาไปพอพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมามานครโกสัมพีเนี่ยฟามแค้นของนางก็เริ่มมเกิดขึ้นนางก็จ้างคนไปด่าพระพุทธเจ้าด่าจนผ้านนนเนี่ยบอกพระพุทธเจ้าให้หนีไปเลยพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องหนีเหตุเกิดที่ดใด ใ, ให้ดับที่นั่นคนไปด่าเราอย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดวันเดี๋ยวก็เลิกไปเองถึงเรื่องนี้ก็จริงนะถ้าเราไป่โตตอบเดี่ยวเขาด่าเรามากก็เจ็ดวันก็เหนื่อยเขาเบื่อ ก็ศรัทธ า, สาเองคือนางมาคดียาเนี่ยไม่ชอบนางสาเอาดีเพราะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคือตอนแรกเนี่ยที่นางอยู่ในวังเนี่ยนางเห็นพระสงฆ์เดินมาพิณฑบาตนะเกิดศรัทธา <c oughs> ก็ให้คนะเจาะประตูดูนางก็เริ่มใส่ร้ายล้วะวามรู้ไปถึงนางมาคดียาเนี่ยแล้วนางก็ให้คนใช้ไปฟังธทำคนใช้ของนางเนี่ยเป็นคนีปัญญามากคนใช้หลังข้อม ฟังพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็มาเล่าให้นางฟังอีกทีเองและการที่คนใช้มาเล่าให้นางฟังเนี่ยทำให้นางเนี่ยบรรลุเป็นโสดาบันได้ผู้ยมที่ดูนี่ขณะคนใช้เล่านะผูดธรรมะให้ฟังเนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าไม่น่าเล่าเองนะการที่จิตมิศาธาตั้งใจฟังธรรมเนี่ยมีที่ส่งมากพอนางได้บรรลุธรรมปุ๊บนางก็ถือไปสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้ทีกานางก็ไปคอนแคนในพระรณะตายผู้รู้ธรมสงค์ ในมาทิคคดิยาเนี่ยก็เริ่มใส่ร้ายต่างๆมีอยู่ครั้งหนึ่งนางสั่งให้คนของนางเนี่ยเอาไก่มาสิบหกตัวคือไก่ตายแปดตัวไก่เป็นแปดตัวแล้วก็ไปหาพระเจ้าเทเยนบอกว่าเตรียมไก่มาเพื่อจะให้พระ อ, องค์เสวยพระเจ้าเทนก็บอกให้ไปทำแกงเขียวหวานไก่มากำลังอยาก ทานไก่พอดีนางมาถึขัิยาก็บอกให้พระองค์เนี่ยให้นางสามเณดีและบริวารทําเพราะนางทําแกงไก่เก่งแล้วก็บอกให้ทาแต่ฝ่ายบริวารของนางสามเณดีเนี่ยซึ่งเป็นชาวพุธเนี่ยคือนางส่งไก่ตายไก่เป็นมาให้นะไ ม, ไม่ส่งไก่ตายนางก็ไม่กล้าค้าก็เลยไม่ทานางก็มาใส่ร้ายว่าพวกนี้มีใจออกห่างพระองค์ ไม่ยอมทําให้ขอให้พระเจ้าเทนเนี่ยลองบอกให้นางเนี่ยทําแก่ทําแกงไก่ไปถวายพระสมณานุภรดมดูซิว่านางจะทำํำไหมพ่อเขก็ลองบอกให้ไป ใ, ใ, ให้นางทํานางมาคดิยาคชิวบายเนี่ยให้คนเนี่ยนําไก่ตายไปให้ซึ่งพวกเราบริวารของนางสามรารถวันดีใจก็รีบกันรีบรี บ, รบพากันทําแล้วก็นําไปถวายนางมาคดิยาก็ก็ทูนเทสแล้วก็ใส่ล้ายไป้ายสี พระเจ้าเทนก็ไม่เชื่อนะก็ยังฟังผ่านๆไปมีอีกครั้งนึงที่รุนแรงมากก็คือนางไดเอางูพิษสรอยไว้ไดพินคือขังงูพิษไว้แล้วนางก็พกไว้ด้วยไปบ้านไปที่ปราสาทของนางสามเณรดีไปกับพระเจ้าเทนนั่น แ, แหละไปปุ๊บก็แอบปล่อยงูก็ออกมาขู่คนในในบริเวณนั้นแล้วนางก็ใส่ไลายพระเจ้าเทนว่าเนี่ยนางนางสามเณรดีเนี่ยคิดจะฆ่านาง วางแผลจะฆ่าพระ อ, องค์ด้วยพระโอเทนหลงเชื่อนะก็บอกให้นางส า, าบาวดีเนี่ยกับบริวารเนี่ยมายืนเลียงกันเลยแล้วพระ อ, องค์ก็เอาเอาคันเอาธนูเนี่ยแล้วก็ลูกศรยิงเข้าไปแต่เกิดเหตุปาาาระทับใจขึ้นตรงที่ว่าธนูเนี่ยไม่โดนใครเลยแม้แต่คนเดียวกระเด้งโดนฝาผนังแล้วกลับมาตกแทบเท้าของพระเจ้าเทนเจ้าเทนก็ตื่นจากพวัง รู้สึกตัวว่าตัวเองผิดก็เลยขอเข้ามานางสาบาวดีและบริวารและเหตุนี้ก็ทําให้พระเจ้าเทเนี่ยหายมานับถือพระพุทธศาสนาจากตอนแรกนับถือพราม์และเริ่อมสายก็เลยทำบุญตักบาตพระทุกวันแล้วก็ยังถวายผ้าอานอนด้วยที่ว่าเรื่องผ้าพระที่วัดถวายผ้าห้าร้อยผืนแล้วผ้าอานนบอกว่าใช้ยังไงตั้งแต่เอามาปูนอนปูพื้นเป็นผ้าเช็ดเท้า แล้วก็เอามาผสมผสมดินฉาฝาผนังก็มาจากพระเจ้าพระเจ้าเทนนี่แหละที่พ อ, องษ์เริ่มหายมานับถือพระพุทธศาสนาเหตุการณ์เนี่ยหนักขึ้นก็ตรงที่ว่านางมาคาดียาเนี่ยใช้อุบายทูลเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลนางก็เลยวางแผนฆ่านางสามาวดีด้วยด้วยความคิดที่โหดเหี้ยมโดยบอกให้อาของนางเนี่ยตอนพวกนางไปไปขังรวมกันไว้ ซึ่งวันนั้นพระเจ้าเทศออกไปล่าสัตว์และแผงของนางก็ได้ผลคือคู่แขนงตายบทไม่เหลือพระเจ้าเทศ ก, กลับมาก็เศร้าโศกมากหลั่งน้ำตาแล้วก็รู้ว่าใครผน่าแต่ก็ต้องการให้หลักต้องการให้มีหลักฐานชัดเจนพระองค์ก็เลยแก้งดีใจแล้วก็ไปหานางมาคาริยาแล้วบอกพระองค์มีความสุขมากที่นางสามารถดีตายแล้วอยากลุ อยากรู้เหมกัว่าขายเป็นคนฆ่าช่างถูกใจเราเป็นแท้ซึ่งนางมาคาริยาก็คิดว่าพระเจ้าเทียนชอบใจก็เลยบอกว่าตัวเองเป็นคนฆ่าเพราะว่านางเนี่ยรักพระโอ์มากที่สุดและรู้ว่าพระโอ์ไม่ชอบนางสามาวดีก็เลยฆ่าให้เจ้าเทียนก็บอกมีใครร่วมมือบ้างคอยบอกมาเดี๋ยวจะมารับรางวาัลจะให้รางวัลทุกคน ท, ที่ที่ทำถูกใจเรา นางก็ไปบอกให้อาของนางแล้วก็ผู้ที่ลงมือฆ่าเนี่ยให้มารับรางวัลจากพระเจ้าเทนแต่ผลปรากฏว่าด้วยกรคำชั่วพระเจ้าเทนเนี่ยให้รางวัลก็คือให้จับพวกนางมาคาดิยาแล้วก็พวกที่ฆ่าเนี่ยเอาไปฝังดินทั้งหมดแล้วก็เอาฝังครึ่งตัวนะแล้วก็เอาฟางเนี่ยเอาฟางม า, าคุ้มไว้แล้วก็จุดไฟเผาซึ่งพวกนางต้องรับกรรมทุรนทุราย ถูกไฟคลอกตายพอตายเสร็จก็ให้เอาเนี่ยคันถายเหล็กเนี่ยไถยงัดศพขึ้นบาแล้วก็มาสับเป็นหมื่นๆชิ้นให้สาสมว่าความผิดอันนี้เป็นเรื่องของกรรมนะกรรมชั่วแต่ถ้ากรรมดีก็กรรมดีเอามายกใ ห, ให้ฟังสั้นๆก็แล้วกันเวลาใกล้หมดกรรมดีก็อย่างเอาเอาเท้าสักกะก็แล้วกันเทาศกกะเนี่ยเมื่อตอนก่อนที่จะเป็นพระอินทร์เนี่ย ก็ได้นําคนเนี่ยช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านสร้างศาลาทําถนนทางให้ผู้คนเดินแล้วพัฒนาชุมชนให้คนเนี่ยช่วยรักษาศีลทําบุญทาทานคือเป็นผู้นาเนี่ยแล้วท้ายคนถือทาตามด้วยนิสงเนี่ยก็ทําให้ชายหนุ่มเนี่ยเมื่อก่อนมีชื่อว่ามาฆามานพเนี่ยได้มาเกิดยากพระอิน แล้วก็มีมีบริวารมากมายอันนี้คือนิสสุงการทความดีโยมตั้งจิตปฏิบัติ ท, ทําไปแล้วก็ใครท ำ, ำดีแล้วก็สาธุอนุมโมทนาเห็นใครทำบุญแล้วก็สาธุอันนี้เราก็ได้บุญด้วยเราสาธาธามบุญได้ตลอดเวลาถ้าเราจิตดีคิดดีเนี่ย เราปฏิบัติธรรมก็ง่ายนิวรณ์ก็น้อยแต่เราเนี่ยฝูกอาฆาตเกลียดขดุนโกรธคนนี้เนี่ยนิวรณ์เราก็มากปฏิบัติธรรมมันจะขึ้นมาตลอดอะ่ะแล้วเรื่องการวางจิตวางใจสําคัญถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยชีวิตเราก็มีปัญหาตลอดแหละบาง้งเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดเป็นเรื่องบางคนตอนเราจากงานไปท้อเป่าแหวนติดคุกติดตารางก็มีจากเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะเราขาดสติขาดปัญญา แต่ถ้าเราบีสติบีปัญญาเนี่ยทุกเรื่องทุกปัญหาเราสามารถแก้ได้หมดคือปัญหาเนี่ยมีไว้ให้เราแก้ไขไม่ใช่มีให้เราตีโพยตีพายอันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาคืออภิธาปัจเจกเดี่ยห ร, หรือทำห้าประการเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากของรักของชอบใจ เรามีกรรมเป็นของตัวเนี่ยก็ขอให้พวกโยมเนี่ยอย่ามองข้ามเพราะสิ่งนี้อยู่ใกล้ตัวผู้โยมทุกคนเลยทั้งอาตมาด้วยไม่ได้อยู่ไกลตัวนะถ้าเราทำความดีเนี่ยความดีก็จะคุ้มครองเราตลอดไปอะไรท่องกรหลวงพ่อพุทธทาสฟังกรหนึ่งปิดท้ายกพรพะเทกรัตต์สิ่งล่วงแล้วไปอย่าไฝ่หาที่ยังไม่มาก็อย่าพึงคานึงหวัง อันวัน ว, นวานผ่านพ้นไม่วนวังวันข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลยผู้ใดเฟ้นเห็นชัดปัจจุบันในเรื่องนั้นๆแจ่มกระจ่างอย่างเปิดเผยไม่งงอนค่อนข้างดังเช่นเคยรู้แล้วเหลือยิ่งเล่าให้ก้าวไปวันนี้เองเล่หกระทําซึ่งหน้าที่อันความตายแม้พรุ่งนี้ใครรู้ได้ พาอไม่อาจบอกปัดหรือผัดไว้ต่อความตายและมหาเสนามันผู้มีเพียรเวียนเป็นอยู่เช่นนี้ทั้งที่พาลาตีแข็งขยันนั่นแหละผู้พัดเทกรัฐอันสัตบุรุษผู้รู้ท่านกล่าวกันเอ่ยขอความสุขความเจริญยงเมียญาติโยมทุกท่าน